ตอนอบรมครับคุณครูโรงเรียนกรพิทักษ์ระหว่างวันที่30กันยายนถึง5ตุลาคม2558ตอนที่หนึ่งกว่าจะกลับก็เที่ยงคืนตีหนึ่งทุกวันหิ้วถุงเงินกลับบ้านทุกวันนั่นแหละเงินดอลลาร์เต็มบ้านหมดมันจะเอาเวลาที่ไหนไปจัดการเรื่องเงินนะมันเหนื่อยและที่อเมริกามันมีกฎหมายฟอกเงินนะ เราไม่มีเวลาเ้าเอาเงินไปเข้าธนาคารเกินหมื่นเหรียญปุ๊บมันมันแจ้งไอ้อะเอสเดี๋ยวมาสอบล่ะกลายเป็นปัญหาแล้วก็ใส่ในถุงเงินเต็มไปหมดนะถุงเงินมันขาดนะไม่รู้อะไรกัดมันะนะเหม็นหมดทุกข์มากเลยอยากได้เงินก็เงินเต็มบ้านเลยทำไมไม่มีความสุข ไม่ใช่พ่อครูดูถูกเงินนะไม่ใช่เหม็นเงินนะแต่เงินมันเหม็นมากขอทานก็จับเทขยะก็จับเศรษฐีก็จับคนจนก็จับมีแต่เชื้อโรคแต่ทุกคนต้องการมันทีนี้บอกยังไงล่ะก็ อ, อยากได้ก็มีแล้วไงนะคืนนั้นเด็กเขาเคลียบบัญชีเสร็จเที่ยงคืนพอดีนะเขากลับไปพ่อครูไม่กลับลอบ็อกกุญแจร้านอาหาร บางเออเราแต่งเป็นแบบเรือนไทยนะมีขันโตกมีอะไรนะ่มีแท่านพระพุทธรูปด้วยแล้วก็ลงไปกราบพระพุทธธรรมพระสงฆ์ถ้าเรื่องหลุดเรื่องพ้นมีจริงเนี่ยพร้อมแล้วเกิดมาไม่เคยนั่งสมาธิมีแค่ครั้งหนึ่งเนี่ยเพราะว่าพวกกลุ่มน้องชายเขานิมนต์พระมาจากเมืองไทยท่านก็สอนจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมเราก็ไปถามว่าจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมเราได้อะไร ท่านก็ตอบท่านท่านบอกมันพ้นทุกเราไม่รู้หรอกจิตมันคืออะไรมันดูดพ้นไปไหนไอดวงตาเห็นทําไอธรรมะมันมีกี่แขนกี่ขามันแต่งชุดสีอะไรเราไม่รู้แต่เราสนใจคำว่ามันพ้นทุกเพราะมันทุกอะมันทุกขที่มันทุกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเบื่อโดยไม่รู้สาเหตุ เราเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เราเป็นนักแก้ปัญหาเพราะคูแก้ปัญหามีความสุขมากธุรกิจไม่มีปัญหาถ้ายัางพวกเราคุณครูมาทำงานเนี่ยทไมรู้หมมาแก้ปัญหาไงถ้าไม่มีปัญหาคุณครูคจะไปทำงานอะไรเรามาทำงานเพื่อละแก้ปัญหาตอนนี้โดยเฉพาะเราอยู่ในวงการที่ยิ่งใหญ่มากนะความเป็นครูเนี่ยิ่งใหญ่มากนะเราแก้ปัญหาชาติยุวชนเยาวาชนคืออนาคตของชาติ สร้างชาติสร้างเ ย, ยาวชนเยาวชนเรากำลังทำงานใหญ่เรามาแก้ปัญหาชาติแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราเบื่อมากเลยตื่นมาแล้วก็เบื่อแล้วมันก็เหนื่อยตั้งแต่ยังไม่มาแล้วเนี่ยนะคือพวกครูทามาหมดนะเหลืออย่างเดียวยังไม่ทำเนะี่ยยังไม่ฆ่าคนเท่านั้นเองฆ่าสัตว์ยิงนกตกปลาเป็นเกมกีฬาพวกครูยิงปืนแม่นมาก ตอนนั้นเอาชีวิตของสัตว์เนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการประลองฝีมือตัวเองนะทมหมดที่ชี้ตัวนี้ให้เห็นนะให้ทุกคนเข้าใจว่าศีลมันคืออะไรกันแน่เอาละคืนนั้นล็อกประตูเสร็จไปกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเรื่องหลุดเรื่องพ้นมีจริงเนี่ยพร้อมแล้วแล้วดื้อมากนะบังอาจท้าพระพุทธเจ้าด้วยถ้าพูะเจ้ามีจริงต้องช่วย ถูบังคับไม่นับถือศาสนาพูดมาตั้ง40ปีแล้วทำมรนทุกขนาดนี้โดยที่ตัวเองไม่เคยไปศึกษาเลยแล้วไปโทษเขาอีกนั่นแหละเป็นครั้งแรกที่นั่งสมาธิแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายเที่ยงคืนถึงตีสาบังเอิญนิสัยเราไม่ดีเนี่ยทำไมไม่ดีคิดทุกเรื่องที่เราได้ยินคิดทุกเรื่องที่เรามองเห็นเราเป็นนักคิดไง เงินเต็มบ้านเลยแต่ก็ได้รางวัลชีวิตมีของแถมมาด้วยคือเป็นไมเกรนเป็นความเครียดลงกระเพาะอย่างหนักแล้วก็อวดดีอีกกินยาระงับมันแล้วก็คิดอีกสามชั่วโมงนั้นมันได้ยินเสียงแอร์เอามาคิดอีกไอแอร์นี่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆแพงก็แพงทำไมมันดังมันเกิดประโยชน์ได้ยินเสียงที่หูมันก็ดึงมายุที่ใจเนี่ยมันมันดึงมันเกิด พลังแรงเวี่ยงขึ้นน่ยเหมือนคนเข้าทรงเต้นเต้นอย่างนี้เลยนะกะเข้าๆประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วมันก็พริกมันก็หมุนอย่างนี้เหมือนเครื่องซักผ้านะแล้วมันก็พราครูเป็นโทสัดจริตนะเป็นคนที่คือเราไม่ใช่สีสัวโกรธหรอกแต่ว่าเกียรติชังความชั่วไยคือเราเที่ยวเตะแต่แตเราไม่เคยรังแกใครนะถ้าใครรังแกใครเนะี่ยพ่อคูวิ่งใส่เลยมันก็เอาไอร้อนเราออกมานะ่ะพุบแต่ละช่วงเนี่ยตัวเราก็เหมือนเบาเหมือนลอยได้นะ ไม่ได้ลืมตาว่ามันลอยได้จริงๆหรือเปล่ามันเบาๆบาเบาเบาแล้วก็เหมือนเครื่องฉีดน้ำเนี่ยมันชาตั้งแต่ปลายเท้าจนขึ้นมาบนใบหน้านี่นะตรงเส้นผมนี่มันเหมือนเครื่องเจาะเหมือนเข็มนี่เจาะเจเจะเจทุกเส้นทุกรูลูขุนขมเลยตอนนั้นรู้สึกกลัวกลัวว่าถ้าเรามีสติตลอดรู้ตัวตลอดว่าถ้าเราเป็นอะไรไปเนี่ย ครอบครัวเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะวินาทีสุดท้ายเนี่ยไอ้กลัวตายยังไม่ค่อยกลัวนะกลัวว่าถ้าเราเป็นอะไรในครอบครัวทําอย่างไรวินาทีนั้นน่ะลูกสาวพ่อคูคนโตตอนนี้ก็มาครูขีอายุขวบหนึ่งพอเรากลัวปุ๊บมันมาหมุนหัวพ่อคูเนี่ยหมุนแบบใหญ่เลยอาการคล้ายๆว่าไม่มีกระดูกหมุนรอบแต่จริงๆมันน่าจะแค่นี้แหละแต่ว่า มันเหมือนหมุนลอกคล้ายๆว่าเธอหยุดไม่ได้ละมันมาสลัดความกลัวเราทีนี้ไอ้ความเบื่อมันก็ลอยขึ้นมาว่าไหนบอกก็เบื่อไงเอออยู่ไปทําไมตายก็ตายมันเกิดอาการระเบิดเหมือนเราเบิดกระจุยกระจายก็ล้มหายลงไปคําว่าสว่างสงบสะอาดตัวเราไม่มีไม่ใช่รู้สึกไหมเรากลายเป็นสิ่งนั้น น่าจะประมาณตีสองก ว, กว่าที่มันเกิดอาการนั้นเพราะคูลืมตาอีกทีหนึ่งตีสามพอดีเลยแต่ลืมตามันก็ยังสว่างหลับตาใหม่ก็ยังสว่างมันไม่มีอะไรแตกต่างระหว่างข้างนอกข้างในงงแต่เกิดมาไม่เคยลิ้มรสคำว่าความสุขเราเจอแล้วที่มันสุขเพราะว่าไม่กังวลอะไรเลยความเบื่อก็หายไปตัวเราก็ไม่มี ก็ลุกขึ้นมาเดินไปตู้เย็นแอร์เย็นทั้งหมดนะแต่เหงื่อพวกครูนี่เต็มท่วมเลยมันคงแรงมากเดินไปเหมือนคนเหาะได้เหมือนไม่มีน้ำหนักไอ้คำว่าเบาๆนั่นแหละเราสัมผัสต ร, ตรงนั้นพอไปเปิดดื่มน้ำเสร็จช่วงเวลานั่งนั่นไม่มีสินนะก่อนหน้านี้ก็หลอกลูกค้าว่าร้านอาหารเราไม่มีเอ็มก็คือไม่ใส่ผงชูรส คือไปตรวจในครัวไม่มีแม้แต่เม็ดหนึ่งแต่มันผสมกับ น, น้ำจิ้มมาเรียบร้อยแล้ว <c oughs> แล้วก็บุหรี่งอยู่ในกระเป๋าเพราะคูสูบบุหรี่จัดมากวันหนึ่งสามสี่ซองนะยี่สิปีพยายามเลิกอยู่สี่ครั้งเราก็เริ่มเหนื่อยแล้วไงเพื่อนก็เป็นมะเร็งตายอายุแค่สี่สิบนะเพราะพวกเราเล่นอะไรแรงๆเพราะมันเครียดเอาล่ะไปผ่อนคลายอารมณ์คืออะไร ไปเล่นนกกระจอะกันอยู่ในห้องแอร์ไม่ใช่สูบคนหนึ่งทีละมวลนะแล้สูบทีหนึ่งสี่มวนเขาทุกคนละมวนเป่ากันไปเป่ากันมาไงบัตรนี้สามคนนั้นเป็นมะเร็งตายหมดถ้าไม่ใช่บุญเก่านะหรือมีสิ่งใดส่งพระครูมาที่นี่เนี่ยมันผ่านมาถึงที่นี่ไม่ได้หรอกโดยเฉพาะเป็นนักการเมืองเราไม่ฆ่าเขาก็ฆ่าเราเราเป็นคนแรงเหมือนกันนะก็ พอดื่มน้ําเสร็จก็เอาบุหรี่ในกระเป๋ามาสูบสูบไม่ได้มันเหม็นแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็ดีแล้วไงแล้วพยายามเลิกสี่ครั้งเลิกไม่สําเร็จไปปรึกษาหมอนะบางทีอมยาด้วยอมๆอมๆไปทันนี้อมด้วยก็สูบด้วยบอกเลิอกอมเดี๋ยวเป็นเบาหวานตายก่อนเป็นมะเร็งตอนนี้พ่อครูติดเบาหวานหน่อยหนึ่งแต่ไม่ต้องกินยานะถ้าไม่มีกรร ม, มาฐานแล้วนี่มันเอาไม่อยู่หรอก เพราะูไม่ได้กินยามา2ี่กปีนะไม่ต้องกินยาแก้ปวดแม้แต่เม็ดหนึ่งขณะที่เป็นไมเกรนแรงๆหลังจากมันระเบิดแล้วทุกอย่างมันหายไปฉับพลันทั้งโรคกระเพาะทั้งไมเกรนไอขัวเข่าที่เราชอบเล่นรถสปอร์ตอะไรตัวเตี้ยๆขาสั้นๆนะขับรถเนี่ยมันก็เจ็บเขา่าวินาทีนั้นมันหายหมดยี่ปีมาอยู่ที่นี่ไม่ต้องกินยาแก้ปวดแม้แต่เม็ดหนึ่งเพราะอะไร พรจิตมันไม่งโง่ที่ทําให้ตัวเองทุกข์ที่เราปวดหัวเพราะเราคิดมากเราสร้างมโนกรรมไอ้สัญญาณปวดหัวนี่เป็นเรื่องดีนะมันเป็นสัญญาณเตือนภัยเราว่าเฮ้ยเบาๆหน่อยแต่วิทยาศาสตร์เราแก้ที่ปลายเหตุไปกินยาพาราแลงับประสาทไม่ให้มันทํางานไม่ใช่มันหายปวดนะมันยังปวดอยู่แต่ความรู้สึกปวดเราไม่มีเท่านั้นเองมันก็สะสมกลายเป็นไมเกรนเป็นความเครียดกลายเป็นมะเร็ง แต่ตอนนี้มันระเบิดแล้วนี่มันแก้ที่ต้นเหตุของมันเลยมันไม่ได้คิดเลยแม้แต่นิดหนึ่งยี่สบกปีพราะครูไม่ต้องใช้สมองโดยเฉพาะคูบาอาจารย์เราไม่เชื่อเราถูกสอนวิชาคิดตั้งแต่เด็กต้องคิดเก่งๆนะต้องคิดเก่งๆเก่ง ๆ, ๆตอนนี้คิดเก่ง ๆ, ๆไม่พอต้องคิดบวกด้วยไงดับเบิลคิดเลยละ่ะพราะอยากได้เวลาเราปวดเราหิวเป็นยังไงรู้ไหมท้องมันก็ร้องใช่ไหมกรอกเคยหิวแล้วหิวแล้ว เห็นไหมเราทางานอยู่นาฬิกาบอกเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วกินข้าวเถอะบางทีไม่ได้ยินทีนี้ไอ้สิ่งเตือนภัยของสิ่งมหาจัรย์มันก็ท้องร้องกรอกลอกลอกเธอหิวแล้วกินเถอะแต่ความรู้เราบอกว่ากินยังไม่ได้งานไม่เสร็จเธอจะไม่รวยทำไปถึงเที่ยงคืนนาฬิกามันบอกเที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนแล้วไม่ได้ยิน เพรตั้งมั่นทำงานทีนี้สิ่งมหจัจรัญ์มันก็ส่งสัญญาณเตือนไปมันหาวใหญ่เลยเธอถึงเวลานอนแล้วนอนเถอะนอนเถอะความรู้เราบอกว่านอนยังไม่ได้พรุ่งนี้เช้าจะส่งงานงานไม่เสร็จจะไม่รวยทําถึงสว่างไปส่งงานมาได้เงินมาล้านหนึ่งมารักษาโรคเคียดโรคมะเร็งแต่ว่าทารามันไม่โง่เหมือนเรานะมันหิวก็กิกนง่วงก็นอน เพราะอะไรเพราะมันไม่มีความอยากคําว่าระเบิดระเบิดเพราะคุณระเบิดแล้วเนี่ยมันระเบิดกล่องความอยากนั้นทิ้งเราไม่มีอนาคตแล้วเราทําไมต้องคิดทุกวันนี้ที่เราคิดเพราะเรามีอนาคตคิดวางแผนคิดดีไซน์ยกตัวอย่างว่าเราสอนเด็กๆวาดรูปใช่ไหมเด็กคนนี้มีความรับผิดชอบมากรับผิดชอบอนาคตมันก็วาดห้าซมันก็แบ่งอีก50ซว่าวาดเสร็จแล้วฉันจะไปทําอะไระวาดเสร็จแล้วฉันจะได้เป็นแชมป์หรือเปล่า ความคิดมันก็สร้างอารมณ์มาแทรกกระทบกับงานที่เราทําพรุ่งนี้คืออนาคตของวันนี้พรุ่งนี้สีแห้งเราได้50แต่ถ้าเราไม่มีอนาคตเราวาดร้อเลยมีความสุขกว่าการวาดอารมณ์ก็แทรกไม่ได้นั่นคือความสุขอย่างยิ่งพรุ่งนี้อนาคตสีแห้งได้ร้อยเปร์เซ็ไมทํางานต้องคิด ไม่ต้องคิดขับรถทําไมต้องคิดถ้าขับด้วยคิดด้วยเนี่ยเดี๋ยวชนกันตายเพราะเราเมียเราไปห่วงอนาคตจนเราทิ้งหน้าที่ปัจจุบันทำไมมันเกิดขึ้นกับพ่อคูพ่อคูไม่ได้อ่านหนังสือเล่มไหนเอา้าก็มันทุกข์เพราะมันเบื่อไอ้เบื่อก็หายไปมันเป็นไมเกรนเราอวดดีนะเจ็บแล้วก็เอายาระงับมันถ้าลิ์ยามันหมดมันก็เอาอยี กระเพาะก็เหมือนกันไงกำลังจะเป็นโรคหัวใจเลยนะมันดันขึ้นมาเกแก๊สในกระเพาะเนี่ยมันระเบิดปุ๊บมันก็หายไปนั่นแหละคือความเปลี่ยนแปลงฉับพลันถ้าเป็นจั ก, กรวาลนี่ก็าบอกว่าเกิดบ i g b แบ g ครั้งใหญ่ในชีวิตเราอยู่ในร่างเก่าแต่เรามองอะไรไม่เหมือนเก่าเราสัมผัสอะไรก็ไม่เหมือนเก่าจิตมันไม่โง่ที่จะทำให้ตัวเองทุกข์อีกต่อไปนะก็ยีสกปีมาอยู่ที่นี่ ญาติธรรมที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นคุณหมอสนิทกันมากท่านก็นต่อว่าพ่อคูว่าเขาเป็นห่วงเพราะสุขภาพพ่อคูเนี่ยพ่อครูเนบอกว่าหยุดแล้วไงศูนย์นี่ศูนย์จิตใจศูนย์สมองศูนย์นยปากท้องทํำบักเยอะแยะจำไหมก็หยุดแล้วถึงทําไงบางคงไม่เข้าใจว่าพ่อคูเล่นลิ้นหรือเปล่าหยุดแล้วถึงทำถ้าพ่อคูไม่หยุดทําเพื่อตัวเองแล้วเนี่ยพ่อคูจะมีเวลาที่ไหนทําให้กับคนอื่น นี่หยุดแล้วถึงทำไงเหมือนเราสร้างตึกขึ้นมาสิบชั้นใช่ไหมโอ้เหนื่อยลงไปนอนดีกว่าข้างๆมันมีร้อยชั้นนี่นอนได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวสู้มันไม่ได้ไงเขาถูกสอนให้เราแข่งขันเสรีก็แข่งขันเสรีก็แข่งขันเสรีจะไปแข่งกับคนอื่นทำไมละ่ะไม่ได้ไงเดี๋ยวจะสู้มันไม่ได้ก็กัดฟันสู้ทนมาสร้างอีกสร้างจนถึง9ชั้นหมดแรงจริงๆมันไม่ไหวจริงจริง แต่ลงไปอีกแค่ชั้นเดียวเนี่ยอุตสาห์ต่อสู้มาแล้วก็ไม่ยอมไงแต่ตัวเองไม่ไม่ไหวแล้วเรียกลูกเรียกหลานมาสร้างต่อกลัวมันไม่ทุกข์เหมือนเราบางทีเราไม่รู้เลยว่าเราสร้างไปทำไมเราชีวิตรเราไปสร้างเพื่ออนาคตอนาคตอยู่ไหนอยู่นู่นนู่นนูนนูน่นน น, น, น, น, น, นะยุคสมัยพระครูอยู่อเมริกาคนชื่อบิวเกตยังไม่มีชื่อ ตอนนี้ท่านบิลเกตอันนี้พวอคุณไม่มีเจตนาอะไรทั้งนั้นแหละไม่โง้ที่จะสร้างกรรมนะแล้วพูดถึงเทวทัตปุ๊บทุกคนรู้ว่าคนที่ชอบแกล้งพูดเจ้าแล้วพูดถึงโองคนิมาลปุ๊บฆ่าคนเอานิ้มาแขวนใช่ไหมแล้วพูดถึงบิลเกตปุ๊บคือสั ญ, ญลักษณ์ของความมั่งคัง่งความรวยที่สุดในโลกถามว่าคุณบิลเกตสําเร็จหรื อ, อยังยังสําเร็จแปลว่าเสร็จแล้วคุณบิลเกตยังไม่เสร็จ คุณบิวเกตรวยหรือยังยังจนไปว่าไม่มีหรือมียังไม่พอรวยไปว่ามีเหลือล้นพอแล้วคุณบิวเกตยังไม่พอยังไม่รวยยังยอนว่าตัวเองยังจนอยู่แล้วถามว่าอนาคตรเราอยู่ตรงไหนเมื่ อ, อไหร่เราจะสำเร็จไม่มีไม่มีมมแต่เราไม่เชื่อพุทธเจ้าเราไม่เชื่อาศาสดาทุกาศาสดา เราเป็นนับถือแค่พิธีรีตองเรากราบไหว้พระพุทธรูปในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขอนนท์ขอนี่ <c oughs> อันนี้เข้าใจพุทธเจ้าผิดแล้วถ้าคนการาบไหว้พระพุทธรูปโดยคิดว่าพระุทธเจ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วขอนนท์ขอนี่พ่อค <c oughs> ร, รูถือว <c oughs> ่าเราไม่เข้าใจพระุทธเจ้าเราดูถูกพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทําให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้อย่างพวกคุณครูเนี่ยเมื่อวานนี้เราเหาะมาจากกรุงเทพ แค่ชั่วโมงเดียวเราห่อได้นะตอนนี้เราหูทิพนะเพื่อนอยู่ที่อังกฤษนี่คุยกันรู้เรื่องเลยเราตาทิพด้วยนะโตเกียวเขาแสดงละครเราเห็นเลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาทำให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้แต่พระพุทธเจ้ายิ่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำสอนพระองค์ทาให้เราพ้นทุกข์ได้ถ้าเราทาจริงพระคูถวายชีวิต เมื่อมันเจอแล้วด่ไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นพระ อ, องค์ไปเห็นได้ยังไงไม่ใช่เห็นเฉยๆรู้วิธีแก้ด้วยบอกสุดสำเร็จเลยแต่เราไม่เชื่อพระ อ, องค์เราเชื่อทุนนิยมแข่งขันเสรีมาถึงทะเลาะ ก, กันทั้งโลกไงทะเลาะทั้งบ้านทั้งเมืองไงเพราะเราตั้งโจร์ให้ชีวิตผิดเดี๋ยววันที่คณะเราจะกลับ รถเขาจะมารับนะฮพอไปถึงสามแยกเหล่าอินแปงเารียกสามแยกเหล่าอินแปงรถเขาต้องพาเราเลี้ยวซ้ายไปถึงอำเภอสิรินทรไปพิบูลไปไปวาลินแล้วก็ออกไปศรีเะเกตสุรินไ ป, ไ ป, ไ, ปไปนั่งเครื่องบินที่อุบลแต่ถ้าเรารถมันไปเลี้ยวขวามันจะเลี้ยวไปประเทศลาวแล้วนักวิชาการก็ไปวิเคราะห์ว่ารถลาวเขาชิดขวารถไทยเราชิดซ้าย เธอว่าชิดขวาดีชิดซ้ายดีวิศวกรเราก็บอกว่าให้รถยี่ห้อนี้ดีกว่ายี่ห้อนั้นนักปฏิบัติธรรมเราขอแจมด้วยเธอต้องขับมีสมาธิมีสตินะถ้าขับมีสมาธิมีสติโอกาสเกิดอุปัติเหตุมีน้อยแต่ไม่ใช่ไม่มีขี้เล่ า, มาเมามามันก็ชนเราได้แต่ถามว่าชีวิตนี้พวกเราถึงกรุงเทพหมยิ่งไปก็ยิ่งห่าง จุดเริ่มต้นเราตั้งโจทย์ผิดเราเลี้ยวผิดแล้วเราทำถูกแค่ไหนก็ผิดเพราะครูเป็นริมรดตรงนั้นแล้ว เ, เก่งๆหาเงินเยอะๆเมื่ อ, อรวยแล้วจะมีความสุขโดนหลอกไป40ปีหาความสุขไม่เจอเมื่อกี้ยกตัวอย่างคุณบิลเกตแล้วเพราะว่าคือสั ญ, ญลักษณ์ของความรวยนั่นแหละไม่ใช่ท่านเป็นคนดีหรือไม่ดีถ้าพราะครูเรียนเชิญท่านบิลเกตมิสเตอร์บิลเกต มาเที่ยวศูนย์เยี่ยมพ่อครูหน่อยหนึ่งมาคนเดียวท่านบิลเกตกล้ามาไหมไม่รู้สึกไม่ฟิวสเกี่ยวไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยพ่อครูก็เป็นอย่างนั้นตอนอยู่ อ, อเมริกาเงินยิ่งเยอะกังวลเป็นหมดกลัวถูกพ้นกลัวถูกอะไรหมดกลัวไม่มีความมั่นคงแต่26ปีที่นี่เนี่ยศูนย์นี้ไม่มีรู้โลกขอบชิดนะไม่รู้สึกกังวลอะไรเลย เพราะครูบอกว่าไม่มีของหายอาจจะมีทุกวันก็ได้แต่ไม่ใช่ของพ่อครูไงเราจะไปกังวลอะไรนี่คือความมั่นคงมั่นคงที่สุดยี่สบกปีใครก็ทำให้เราทุกข์ไม่ได้แถมยังมีส่วนเกินสมัยก่อนมีเวลาไม่แบบนี้ไมยี่24บสี่ชั่วโมงของเรายังแก้ปัญหาเราไม่ได้เพราะเราเล่นโกลอฟเกม เราเล่นเกมมากขึ้นเราจะมีเวลาที่ไหนไปทำอย่างอื่นแต่ตอนนี้สมัยก่อนก็ไม่มีเวลาแต่ทุกวันนี้ไม่มีเงื่อนไขเวลา2ี่สชั่วโมงเป็นของเราหมดอิสระไหมอิสระนะถ้าเราจับประเด็นได้ว่าชีวิตคืออะไรนะต่อไปเราจะทำงานอย่างมีความสุขยิ่งมีอาชีพครูนะเพราะกูได้เปรียบอาชีพอื่นหมดครูสมัยก่อนคือครุรผู้ประสานวิชาผู้ให ศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทานศีลภาวนาการให้ทา น, นเป็นหน้าที่เราเป็นความสุขเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เห็นไหมเรามีโอกาสสร้างชาติทุกวันยุวชนเยาวชนคืออนาคตของชาติสร้างชาติสร้างยุวชนเยาวชนกำไรชีวิตนั่นคือความยิ่งใหญ่นะน้องขีอุ้มมาจากเมืองนอกตอนอายุ สองขวบกว่าวินาทีที่พ่อคอยหยุดอายุสี่ปีน้องขีขวบหนึ่งพาแม่เขาเนี่ยนั่งปฏิบัติเป็นลูกศิษย์คนแรกเขาก็อาเจียนอาเจียนเหมือนขนแพทองก็พาไปหาคุณหมอแกตั้งท้องเดือนหนึ่งถ้าน้องดอนมาใช้อีกเดือนหนึ่งไม่ได้เกิดขึ้นกับเราแล้วพ่อครูก็อยู่บ้านปีหนึ่งที่ทำงานอะไรให้เขาหมด ไม่ยุ่งก็อยู่บ้านปีหนึ่งรอเขาคลอดเสร็จครบหกเดือนแล้วก็อุ้มเด็กสองคนนี้เนี่ยพร้อมกับแม่เขาด้วยเนี่ยย้ายจากเมืองนอกมาอยู่ป่าบังเอิญแม่เขาบุญเยอะมากนะเขาทําหน้าที่หมดเขาหมดกรรมแล้วเขาก็จากไปพ่อครูเลยต้องเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งครูคนแถวนี้ถึงเรียกพ่อครูไม่ใช่ปฏิบททัติธรรมนั้นเราจะทิ้งภาระหน้าที่ไม่ใช่ นะจากวันนั้นถึงวันนี้26ปีน้องคีกับน้องดอนคนหนึ่งบวชชีคนหนึ่งบวชนนบวเนนพราะกูถวายผู้ทเจ้าก็จบปริญญาโทรมานะก็มาช่วยกันดูแลโรงเรียนสองแห่งของเราเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตอนนี้มีเด็กแ0 0รอกว่าคนนะพราคกูไม่ได้สอนให้เขาตามโลกสอนให้เขาอยู่กับโลกให้ได้รู้เท่าทันโลก follow its mean b e h i n d ตามไปว่าไม่ทัน มันเปลี่ยนรุ่นใหม่ทุกวันเราถูกหลอกไปแล้ว4ี่สิปีไม่มีเหตุผลจะให้ลูกเราที่เราสร้างเขาขึ้นมาโดนหลอกอีกเนี่ยพระคูรักลูกไงญาติพี่น้องมาดา่าเป็นบ้านะเธอเบื่อแล้วเธอหยุดก็หยุดสิทำไมเอาเด็กมาอยู่ในป่าพวกคูถามว่ามีอะไรไม่ดีเหรอสมัยอยู่ในเมืองเขาเป็นโรคภูมิแพ้อากาศไม่ดีนะมาอยู่ที่นี่เขาแข็งแรง แถมถอดรองเท้าวิ่งอีกมาไม่เมื่อยอะไรก็เปื่อนเด็กที่นี่มีผู้ใหญ่ใจดีนะก็เอารองเท้าผ้าใบอะไรมาแจกเขาวันเดียวก็หายมันเบี่ยงทิ้งเลยเขาไม่ใส่รองเท้าแบรนด์เนมนะเขาใส่รองเท้ายี่ห้อหนังแทๆ้ๆยิ่งใส่ก็ยิ่งหนาขึ้นไม่มีวันศึกเหยียบหินก็ไม่เจ็บมีภูมิคุ้มกันด้วย เห็นเขาไม่ไปติดแบรนด์เนมเขาก็แข็งแรงนะปีอยู่ที่นี่นะและเนื่องจากสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าพาะครูยี่สปีไม่เคลื่อนไหวใช้ชีวิตแบบสงบเย็นไม่มีใครรู้จักแต่พอถึงเวลาบอกจิตบอกถึงเวลาต้องออกไปแล้วโอเคเพาะครูถามตัวเองทำไมต้องออกเพราะยี่วันระเบิดปุ๊บ มันเห็นเลยว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมช่วยไม่ได้กรรมใครกรรมมันบุญใครบุญมันแต่พอยี่สปีบอกต้องออกเพราะก็ถามว่าแล้วพูดเองว่าช่วยไม่ได้เขาบอกว่าทำเพราะทำธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะการให้ทานเป็นหน้าที่แล้วโอเคจบก็ออกไปให้หปีตอนนี้จิตบอกหยุดอีกแล้วสองปีที่ผ่านมาหยุดแม้กระทั่งตัดผมก็ไม่ต้องตัดจะอยู่อย่างไ ม, ไม่รู้ไม่ดีไซน์ไม่ได้วางแผนพอถึงเวลานั้นค่อยมาว่ากัน ก็มันนิ่งอยู่20ปีกว่านิ่งล่ะเพราะเราไปสัมผัสหปีแนวโลกข้างนอกเนี่ยเขาพัฒนากิเลสกิเลสพัฒนาไปตามเทคโนโลยียกิเลสขี่จรวดทะเลาะบ่อแหว่งกันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกมันไม่ใช่ช่วงที่เราจะไปแสดงธรรมเขาฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะนอกจากคนมีบุญเท่านั้นน่ยให้ธรรมะส่งเข้ามาเองแล้ววันนี้ก็ถือเป็นวันอีกยิ่งใหญ่วันหนึ่งโดยเฉพาะผู้บริหารคุณก้อยนี่ยเพราะคุณเรียกว่าหญิงเหล็กนะ คือยุคนี้เนี่ยจะหาคนที่เข้าแบบนี้ไม่มีพวกเราทำงานนะพวกครูเข้าใจเราทำงานเราก็อยากจะได้ผลของงานคือได้โบนัสอะไรสมัยก่อนเราได้เงินโบนัสได้มาปุ๊บเราก็กินใช้หมดเออได้โบนัสพาไปเที่ยวแล้วก็สุขสนานไม่กี่วันก็กลับมาเราก็เครียดอีกนะ คุณก้อยเขาไม่ใช่ธรรมดาเขามาแค่ศูนย์แค่ครั้งเดียวนะเพราะกูเห็นจิตอยู่ว่าใครเป็นยังไงตอนนี้เขาให้โบนัสคือให้ชีวิตแต่พวกเราต้องแลกเพราะกรรมทุกคนสร้างมาทั้งด้านบวกด้านลบมาเต้นทําไมเวียงทําไมทํางานก็เหนื่อยแล้วยังมาเต้นให้มันเหนื่อยอีกยิ่งเหนื่อยยิ่งต้องเต้นเหมือนเราเหนื่อยเราวยิ่งต้องออกกําลังกายเมื่อออกกําลังกายแล้วเนี่ยเราก็หายเหนื่อยเพราะเราแข็งแรงเห็นไหม และเราจะได้ชีวิตนะก็ TISC คุณเล็กวันิดาสันซื่อนี่บริษัทก็ทํามาหลายปีแล้วละ่ะตอนนั้นพ่อครูออกไปพ่อครกูก็ไปช่วยเขาบรรยายประภาค้อมูลจติทยา บ, บริษัทปีหนึ่งเต็มเต็มนะแะแรกแรกก็มีแรงต้านพ่อคูเข้าใจเอสทีอะไรมาทําอะไรชีวิตฉันก็เหนื่อยขนาดนี้โดยเฉพาะชีวิตกรุงเทพนะเดินทางไปเดินทางมาใช้เวลาในรถเท่าไหร่มันริดรอนเวลาชีวิตเรากลับไปบ้านก็ต้องเล่นรีบ ภาระทางบ้านบางทีเครียดจากบ้านก็แบกความเครียดมาที่ทำงานอีกบางทีที่ทำงานเครียดก็แบกไปกลับบ้านอีกแทนที่จะเอาความเย็นสงบเย็นีไปฝากทางบ้านเอาความเครียดไปให้ทางบ้านเครียดไปทางบ้านแล้วถามว่าเราจะต่อสู้ทำไมนะเพราะคุูทึงเน้นว่าเราหลงทางแล้วอย่าอดทนทำงานเพื่อความสุขจงทาตนให้มีสุขเมื่อได้ทางาน ถ้าเราไม่ชอบงานไม่มีฉันทะไม่มีความพึงพอใจกับงานเราจะสุขไม่ได้นี่คือหลักอิทธิบาทสี่เราต้องเปลี่ยนอารมณ์ให้ชอบงานที่ว่าทำไมจะไม่ชอบเราเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อย่าลักชาติพวกทพว ก, พวกนายเจ้านายใหญ่โตมาที่นี่นะเพวกะครูพูดต่อหนะ้ารัฐมนตรีก็มาที่นี่พรากคูบอกอย่าลักชาติแต่วาจานะทำมีแต่พูดทะเลาะ ก, กันตอนมีกีฬาสีที่กรุงเทพ ญาติธรรมยุคศิลป์ลูกหานี่มีทุกศีนั่นแหละพราะครูออกไปช่วยกันบอกว่าถ้าไม่ออกมาไม่รักชาตินะเพราะครวทํำไมรักชาติต้องทะเลาะ ก, กันละ่ะอันดับแรกคุณต้องหยุดทะเลาะ ก, กันก่อนรักชาติไม่ต้องทะเลาะ ก, กันไอ้สีนี้ด่าศีนั้นสีน้าเป็นขเขมรหรือเปล่าก็เป็นคนไทยไอ้สีนี้ก็ด่าตอบมันเป็นลาวหรือเปล่าก็เป็นคนไทยคุณด่าคนไทยคุณรักชาติเหรอถ้ารักชาติเนี่ยมาช่วยพ่อครูรักชาติที่นี่นะ มาสร้างชาติเ ย, ยาวชนเยาวชนอนุกวัตและพวกเราคุณครูเนี่ยมีโอกาสรักชาติตั้งกี่พันคนยิโรงเรียนบักใหญ่หนึ่งเนี่ยเราต้องภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทําไม่งั้นเราขาดทุนชีวิตนะก็เรารักชาติไงไม่ใช่เรื่องเงินทองผลประโยชน์อะไรอันนั้นเป็นแค่ผลพลอยได้เอาไม่แค่ดํารงชีวิตเฉยเฉยชีวิตเราต้องภาคภูมิใจในความรักชาติของเราเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจชีวิตเนี่ย เราจะไม่รู้ว่าเราทำไปด้วยเซ็งไปด้วยเบื่อไปด้วยทุกคนก็วิ่งสแสวงหาความก้าวหน้าก้าวหน้าคืออะไรตําแหน่งหน้าที่เงินมากขึ้นเท่า น, นั้นเองมากแค่ไหนถึงเราจะพอบิ้วเกียรตยังไม่พอเลยเราพอเมื่อไหร่ทุนนิยมเขาสอนเราว่าต้องหาเพิ่มเราถึงจะมั่นคงโอเคเพราะครูเคยบอกว่าเรามีเงินเดือนหมื่นหนึ่งแต่เราใช้ไปหมื่นสอง เหลือเท่าไหรครับคุณครูเงินเดือนหมื่นหนึ่งใช้ไปหมื่นสองมีเงินเหลือไหมติดลบสองพันแต่คนนี้มีเงินเดือน800พใช้ไป5 0 0 0คนนี้มีเงินเหลือ3 0 0พันถามว่าใครมั่นคงกว่ากันไม่ได้แปลว่ามีมีรายรับเยอะแต่จ่ายเยอะไม่มีรายได้นะรายรับหักรายจ่ายถึงจะเป็นรายได้ ต้องแก้ที่ชีวิตเราลดละเลิกเพิ่มรายได้โดยการลดรายจ่ายอันนี้เราแก้ด้วยตัวเราเองได้ถ้าเราไปแก้ว่าต้องหาเพิ่มหาเพิ่มโอเคไต่เต้าจากเงินเดือนหมื่นหนึ่งเป็นแสนหนึ่งท่านต้องอยู่คอนโดแพงขึ้นซื้อรถแพงขึ้นเอาเงินอนาคตมาใช้มันสนุกดีเนาะมันก็เป็นโรควาดภาวาไม่เกิดความมั่นคงเลยนะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขนะมันอยู่ที่พฤติกรรมความพอใจของเรา นะเป็นครูยิ่งใหญ่แล้วแต่ทุกวันนี้นะไม่ใช่พวกเราแน่นอนเราเป็นครูเอกชนครูก็ยังคิดยังพูดตัวเองว่าเป็นครูเลยแต่พราะครูอยู่ที่นี่ไม่ใช่พูดใส่เขานะระบบมันทําให้เป็นอย่างนี้โรงเรียนในระบบนั้นครูตายหมดแล้วเขาไม่ให้เป็นครูลวมีแต่อาจารย์หนึ่งอาจารย์สองอาจารย์สามนะสอนแค่นี้ถ้าไปเรียนพิเศษฉันก็ให้พิเศษ ครูคือคร่ลูกคือผู้ประสาทวิชาคือผู้ให้นะหมอก็เหมือนกันตายหมดแล้วเขาไม่ให้เป็นหมอแลวเพราะครูเกือบ20สิปีก่อนโรงพยาบาลมุกดาหารเชิญไปบรรยายนะเพราะครูบอกล่วงหน้าเลยถ้ามันเดินอย่างนี้เพราะอเมริกาเป็นอย่างนี้แล้วไงต่อไปเขาจะไม่ให้เราเป็นหมอเขาจะให้เป็นนายแพทย์ธุรกิจการแพทย์ ไม่กี่ปีหมอบอกว่าคุณพ่อคูทําทไมรู้ล่วงหน้าล่ะตอนนี้เขาไม่ให้ผมเป็นหมอแล้วอคุณหมอเอาจจะเอชื่อก็ได้คุณหมอกันนะเ อ, อมาปฏิบัติที่นี่เยอะเปิดคลินิกหมอกันต้องเปลี่ยนป้ายคลินิกนายแพทย์กันเป็นธุรกิจการแพทย์หมอในอดีตเห็นคนไข้ทุกวันแต่หมอปัจจุบันเห็นแต่ไข้ไม่เห็นคนไข้นี้ราคาแค่นี้คันี้ราคาแค่นี้คนนี้ไม่มีเงินไม่เห็นหมอแล้วคนจนไปไว้ไหน หมอสอแมงมี้โอลาเนี่ยตีสองตีสามไปปลูกหมอปุ๊บหมอหิวเครื่องมือไปนอนกับคนไข้เลยรักษาแล้วก็กลับบ้านไม่ต้องถามอะไรพอคนไข้เขาหายแล้วก็ค่อยเอาอะไรมาให้คุณหมอทุกวันนี้ถามว่าเธอมีเงินหรือเปล่าไม่มีเงินเนี่ยคุณหมอไปนั่งรอหมอสามชั่วโมงไปวินิจฉัยโรคสามนาทีมีแต่ห้องตรวจโรคไม่มีห้องตรวจคนเลยนะ ไปเอายาที่ไปลองถ้ามันไม่หายเอเอไปหนูลองยาเอายานี่ไปลองไม่ใช่คุณหมอดีไม่ดีคือระบบธุรกิจนิยมมันเป็นแบบนี้เห็นไหมเห็นแต่มีเรื่องหนึ่งเร็วๆนี้เองนะปีที่แล้วนะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอะไรก็ลงมีโจรคนหนึ่งเขาไปป้นเขาก็วิ่งหนีตำรวจมาแล้วเขาปวดฟันมากเขาก็แวะคลินิกหมอ นะคุณหมอปวดปันถอนเร็วๆแล้วหมอก็ตกใจนะรีบถอนอย่าถามอะไรมากคุณหมอก็ถอนให้มันก็หนีทีนี้ตำรวจก็จับได้ไงถามว่ามึงไปไหนมาบ้างมันก็บอกมึงไปถอนปัตนตำรวจก็เอาภาพถ่ายมันมาให้หมอดูบอกหมอจําไม่ได้ก็ต้องไปอ้าปากไปถ่ายฟันไปเห็นบกหมอเออใช่ละไอ้นี่เนี่ยเห็นแต่ไขไม่เห็นคน เออจำได้ไงถอนตรงนี้ไงตอนนี้ธุรกิจนิยมทําให้เราเป็นหุ่นยน์กันหมดเลยไม่มีเรื่องคําว่าน้ําใจนะได้ยินข่าวว่าเมื่อวันที่27นี้คุณหมอบัญชาแดงเนียมพ่อ ก, กูก็บัญชานะนะเออแกคุณหมอที่เป็นคนแรกที่พ่อกูยี่สปีไม่ไปไหนวันแรกที่บินไปเชียงใหม่นะหมอไปรับพ่อคูที่เชียงใหม่พ่อกูก็ไปบรรยายไปสอนที่จีลังดีสอดคุณหมอบัญชาก็บอกว่าแกใช้ ก็ไปเรียนรู้อะไรที่เยอะระมันอะไรก็บอกว่าเป็นขแขนงใหม่เขาเรียกว่า holistic medicine คือว่ารักษาแบบองรวมทุกวันนี้สังเกตไหมครับหมอเขาแยกขแขนงเป็น special หลายเธอเอาตาอย่างสมัยก่อนพ่อครูเด็กๆนะเขาตัดคอนะคนนี้เรียนเรื่องตาหูคอจมูกใช่ไหมคนนี้เรียนเรื่องตับคนนี้เรื่องเรื่องเรื่องเรื่องไตเรื่องอะไรแยกส่วนเรื่องหัวใจ แต่ตอนนี้เขาไปเรียนเขาบอกดูองค์รวมทั้งหมดเลยเพราะครูบอกยังไม่พอนะต้องบวกจิตวิญญาณเขาไปด้วยคุณหมอเขาก็มาปฏิบัติแล้วตอนนี้คุณหมอบัญชาเนี่ยเขามองเข้าไปในจิตเขาเห็นคนไข้ทุกวันไม่ใช่ว่าเห็นแต่ไข้ไม่เห็นคนโรคบางโรคเนี่ยยกตัวอย่างว่าเราโดนพึ่งต่อยเราวิ่งอย่าไปทายาหม่อง ระหว่างทางเหยียบตะปูทะลุขาเลยเนี่ยมันมาเจ็บที่ขาไอ้ตัวนี้หายไปแล้วกำลังเจ็บขาอยู่มองไปลูกตกบันไดบ้านหัวแตกไอ้ขานี่ก็หายเจ็บแล้วไปเจ็บที่หัวลูกมาเจ็บที่ใจตัวเองความเจ็บปวดเป็นแค่อุปทานมันไม่ใช่ของจริงเห็นหั้ยแล้ววิทยาศาสตร์การแพทย์เราละเลยเรื่องนามมาทำได้อย่างไรเอาแต่เรื่องวิจัยเรื่องรูปประทรูปดังแข็งกระด้างกันไปหมดไง นั่นแหละหลายศาสนาสอนเรื่องจิตวิญญาณพร่อกูยกตัวอย่างนะอยากมีข้อกังขาและที่ศูนย์นี้ไม่มีลทัทธินิกายว่ามาที่นี่ต้องบังคับต้องเป็นโน่นเป็นนี่เป็นอะไรพ่อกูไม่มีไม่ ม, ม, มีนโยบายไม่มีอุบายวิธีดังนั้นเออก็ให้เราเข้าใจว่าเออวิธีพร่อกูเป็นแบบไหนวิธีพร่อกูคือไม่มีวิธีเราไม่ได้เรียนวิชาอะไรนะเรามาที่นี่เนี่ยเรามาจเจริญมรรคด้วยกันมาใหม่ใช่ไหม ถ้าทางโลกว่าไปเรียนกอไก่เรียนขอไข่นะเอออะไรไม่ใช่มาใหม่ก็เดินทางไปด้วยกันนะมันไม่ใช่วิชานะแนวทางที่ศูนย์นี่เป็นยังไงแนวทางที่ศูนย์นี่ไม่มีแนวทางไอ้ที่ไม่มีแนวทางคือแนวทางของเราเอาเป็นว่าที่ศูนย์นี่ไม่มีกติกาบังคับแม้แต่หนึ่งข้อมีแต่ว่าเราเป็นมนุษย์เราคุยกันได้เราตกลงกันนะเออต้องนัดกันมากินข้าวกี่โมงนะมาเข้าตลางัมื้มันมันมันขาดคาดเคลื่อน แต่ไม่ใช่ข้อบังคับมีข้อบังคับปุ๊บมันจะมีบทลงโทษที่ศูนย์ไม่กระทําถ้าเราตั้งกติกาปุ๊บมันจะเป็นสิ่งปรุงแต่งอย่างในป่าดงดิบนี่ไม่มีรัฐธรรมนูญนะไม่มีกฎหมายเลยแต่สัตว์ทั้งหลายเขาอยู่อย่างสันติเสรีโดยแท้นกฝรั่งเศสบินมาเมืองไทยไม่ต้องขอวีซ่าธรรมชาติมันเสรีอยู่แล้วแต่มนุษย์เราทําลายเสรีแล้วก็มาเรียกร้องเสรีกันทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองไงเพราะเราไม่ใช่เข้าใจความจริง ของธรรถ้าส า, ากลจักรวาลจริงๆเนี่ยสากลจริงๆเนี่ยไปอยู่ประเทศไหนไปอยู่อะไรเนี่ยมันต้องเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายนี่คือสากลทำดีๆทำชั่วๆนี่เป็นสากลแม้กระทั่งความอร่อยเนี่ไม่ใช่สากลไม่ใช่ความจริงนะบางคนไม่ใช่จริงไนดะ้ยังไงฉันกินเมื่อไหร่ก็อร่อยเดี๋ยวพ่อกูสั่งพระแขพผแข ไปสั่งทุเรียนไอ้ที่มันสุกมากๆมีกลิ่นเยอะๆนะเปิดออกมาเลยมาตั้งตรงนี้เนี่ยบางคนวิ่งใส่บางคนวิ่งหนีถ้ามันอร่อยเหมือนกันวิ่งหนีทําไมความอร่อยไม่ใช่ความจริงมันเป็นอุปท า, านถ้าเราชอบเราก็บอกว่าอร่อยแล้วทุกวันนี้ชีวิตเราไปทะเลาะ ก, กันเพราะว่าเราบอกว่ามันเป็นความจริงเป็นความจริงของเราแต่มันไม่จริงสาหรับเขามันไม่ใช่สากล นั่นแหละที่บอกว่าบางทีไม่ใช่พูดใส่ใครนะคือระบบมันเป็นแบบนั้นเราก็เรียนเรียนเรียนเรียนนะสูงสุดเราก็ปริญาเอกเป็นด็อกเตอร์แล้วไงแล้วทาไมบางครั้งคุยกันไม่รู้เรื่องตอนเด็กๆ เ, เราเล่นกันเราพลาดพังนี่ชนกันล้มลงไปก็ร้องไห่ร้องไห้พอลุกขึ้นมาเราก็เล่นกันต่อไงมันไม่มีทิฏฐิมานะไม่มีอัปตาแต่ผู้ใหญ่เราได้ไหมไม่ได้แขนนี่ต้องชําระสิบปียังไม่สาย ผ่านไป9ปีสิบเอดเดือน29วันอีกแค่วันหนึ่งจะหมดคืนนั้นกำลังจะหลับตาคิดถึงหน้ามันอีกต่อวีซ่าไปอีกสิบปีเรายิ่งโตเราทําไมเราโง่ ก, กว่าเด็กอะทำไมทําให้ตัวเองทุกข์เพราะเราให้อภัยไม่ได้ให้อภัยได้ยังไงมันเป็นคนผิดไงเอ้าถ้าไม่มีคนผิดเราจะให้อภัยใครอยู่ๆคุณครูคนั่งอยู่ที่นี่เพราะครูเดินมาแล้วพระครูออคให้อภัยนะคุณครูงงไหม ดีไม่ดีตเตะพ่อครูด้วยนะเธอให้อภัยฉันทําไมคนไทยตอนนี้คุยกันไม่รู้เรื่องก็มันผิดก็ใช่ไงก็ต้องรีบให้อภัยสิอันนี้ได้ไงได้ไงได้ไงเอาทําไมไม่ได้ล่ะให้อภัยไม่ต้องเสียตังค์สักบาทหนึ่งอภัยทานเนี่ยได้อา น, นิสงส์มากที่สุดการให้ทานมีสาอย่างนะคือวัตถุทานธรรมทานอาภัยทาน เออเรามีเงินเนาะเอาไปช่วยเหลือเด็กยากจนหน่อยหนึ่งนะเพว่าให้วัตถุทานเออเดี๋ยวเดี๋ยววันที่3ามบอกคุณก้อยพราะครูขอให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสมาใส่บาตรร่วมกันเขาเรียกว่าทําบุญร่วมกันลังพังคุณก้อยคนเดียวก็ทำบุญได้แล้วไม่เจตนาไม่ใช่อย่างนั้นนะมากน้อยเรามีโอกาสได้ให้ได้ช่วยกันจันทร์ลงพระศาสนานะมันไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะมันเป็นการบ่มเพาะให้เรารู้สึกการ การให้ทานเนี่ยเป็นการขัดเกาจิตตัวโลภตัวตนีมันจะทำให้เราเนี่ยอ่อนลงเมื่อเราความโลภอ่อนลงเนี่ยการกระเสือกกระสนการทำร้ายตัวเองทำงานจนไม่หลับไม่นอ น, นมันก็อ่อนลงนะวัตถุทานสมมติว่าเราทำวัตถุปุ๊บขัดเกาได้ส0บอซ็นต่ะทำบุญกับพระพุทธเจ้าทำบุญไปร้อยบาทสาธุ ให้ถูกระวันที่หนึ่งอันนี้ไม่ได้บุญเลยนะนี่ค้ากำไรเกินควรนะคือขัดไปขัดไปส0เซเพิ่มมาอีกร้อยนต์ขาดทุนอีก90้าสบนตนะนะโอเควัตถุทานได้สิอร์ซแต่ถ้าเราให้พวกครูกาลังให้ธรรมทานต้องขอขอบคุณคณะครูนะที่เปิดโอกาสให้ศูนย์พรลานคอยเนี่ยได้ให้ธรรมทานเราอย่าไปหลงนะเราเป็นผู้ให้นะอันนั้นไม่ได้อะไรเลยนะ เราเป็นครูเนี่ยโอ้ยฉันสอนเธอยังดีดีแค่นี้แล้วอะไรเนี่ยเราไม่ได้เลยเลยนะเราเหนื่อยเปล่านะทำบุญตามบุญไม่ใช่บุญนะมันสุญญตาทานเป็นบุญอย่างยิ่งเราทำบุญคือเราสลัดความโลภความตเนียกถามว่าคนทุกวันนี้ให้ทํามทานได้ไหมธุรกิจนิยมให้ไม่ได้อุตสาห์ค้นคว้ามาสูตรนี้เกือบตายเรื่องอะไรจะให้เธอเอาไปลิกสิทธ์กลายเป็นเงินดีกว่าให้ไม่ได้ แถมโกโหกอีกแต่พระเจ้าไม่ได้เหนียวนะพระองค์เอาความรู้ปัญญาที่พระองค์ไปเห็นมาเนี่ยกระจายไปทั่วโลกให้ฟรีนี่คือวัตถุทานได้ส0อตันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะเอาละให้ธรรมทานได้อีก 30% มากกว่าวัตถุทานอีกนะวัตถุทานต้องเสียอะไรเสียวัตถุเสียเงินเราหามาเกือบตายแล้วก็ยอมแบ่งปันนะ เสียเงินแล้วยิ่งไปวัดเสียเวลาอีกเราก็ให้โอเคเรายอมเสียเวลาเพื่อไปทำความดีคือทำวัตถุทานเราก็ได้ขัดเก่าไสป10ซธรรมทานไม่ต้องเสียวัตถุแต่ต้องเสียเวลานะต้องเป่งเสียงเราต้องเสียที่เราเหนียวความรู้เราไม่ให้นะยังยังมีต้องการมีเสียนะแต่อภัยทานเนี่ยไม่ต้องเสียอะไรเลย ง่ายที่สุดแต่เราให้ไม่ได้เพราะทิฏฐิมณะถ้าเราให้ไม่ได้ที่บอกว่าถ้าให้สมมติว่าเราสร้างวัดสิบวัดเลยนะเป็นวัตถุทานเลยนะยังไม่เท่ากับให้อภัยทานครั้งเดียวที่บอกว่าสัพเพธรร ม, มานัทสัพเพธรร ม, มาคือว่าการให้ทําเป็นทานเนี่ยเป็นการให้ที่ยิ่ง ยิ่งใหญ่ที่สุดคือยังไงเพราะครูพูดครั้งเดียวนะครูบาอาจารย์ได้ฟัง300อคนคือผลประโยชน์มันเกิดขึ้นวงกว้างยิ่งออก y o u t u ู e มันได้ไปทั่วโลกคือคือผลที่มันเกิดขึ้นได้วงกว้างแต่ผู้ให้นี่สมว่าได้ได้มากกว่าวัตถุทานได้ 30% ซแต่ถ้าเราให้อภัยทานแค่คนเดียวนะเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนประโยชน์เขาไม่ได้ดยเพราะเราให้อภัยทานมันไม่รู้ด้วยนะ แต่เราให้เนี่ยอ น, นิสงเราได้ 60% เรซนเรายกภูเขาออกจากอกเราเบาไม่ต้องแบกข้ามภพข้ามชาติอภัยทานต้องใช้บ่อยๆโดยเฉพาะเราทำงานอยู่ร่วมกันจากสองคนขึ้นไปนะต้องใช้หลักพร ม, มิหารสี่ต้องเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา ไม่งั้นเราทุบเธอก็เครียดฉันก็เครียดนะเราโง่เราสเปนคือเราใช้จ่ายเวลาเราวันหนึ่งแก่ไปวันหนึ่งแล้วเนี่ยแทนที่จะมีความสุขแทนที่จะได้อานิสง์กับมาสร้างกรรมอีกแลาทำให้ตัวเองเครียดอีกเนี่ยเพราะครูว่าเราไม่ใช่มนุษย์โสเสริฐทําอย่างนั้นไม่ได้อภัยทานต้องใช้บ่อยๆแต่ถ้าดีที่สุด26ปีพ่อครูไม่ต้องให้อภัยใครเลยนะเพราะเราไม่มีความรู้สึกว่าใครเป็นคนผิดเลยไม่มีใครถูกใครผิด ก็ไม่ต้องให้อภัยแต่ถ้าเรารู้ว่าเขาผิดปุ๊บเนี่ยเราต้องรีบให้อภัยใครให้อภัยก่อนคนนั้นได้ก่อนคือเราได้ยกพวกเขาเราออกจากอกเอาก้อนหินออกจากอกเราก็เบาบุญคือเบาบาปคือหนักนั่นแะหละอภัยทานครั้งเดียวนี่ดีกว่าสร้างวัดสิบวัดแต่ไม่ใช่สร้างวัดไม่มีประโยชน์แต่มันน้อยกว่าอาภัยทานครั้งเดียวส่วนธรรมทานแล้วเนี่ยนะก็ สมมติว่าเราเอาลิขสิทธิ์เราเอาความรู้เราแลกเป็นเงินก็ได้เงินเหมือนกันใช่ไหมมันยังมากกว่าวัตถุทานอีกแต่เราก็ไม่ขี้เหนียวเราก็ให้แล้วก็ประโยชน์มันออกมาจากวงกว้างคนได้นิสงมากแต่ส่วนตัวเราเนี่ยได้ได้น้อยกว่าอภัยทานครั้งหนึ่งนะ ก, ก็กูเกิลก็คณะกูอาจารย์มาที่นี่เนี่ยนะศูนย์นี้ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะ ที่แปลงนี้เนี่ยพอกูรักษาไว้มันเป็นสประกอรเราไม่ลงชื่อใครปีนั้นพรอกูถามเขาว่าถ้าเป็นของส่วนรวมได้บอกได้เขียนลงไปนในแผนที่ประเทศไทยเป็นศูนย์ประลานคอยพราะกูไม่อยากสร้างเงื่อนไขให้คนรุ่นต่อไปนะก็คือว่าเมื่อเราอยู่เราก็สร้างประโยชน์นะไม่ใช่เฉพาะพุทธศาสนิกชนเท่านั้นทุกคนทั่วโลกมาใช้ประโยชน์ที่นี่ได้แล้วตอนนี้มาหลายประเทศก็มานะก็ เมื่อเรามีชีวิตอยู่แล้วก็ใช้มันให้มันทําประโยชน์มันไม่ใช่ของใครทั้งนั้นแหละนะก็ที่ศูนย์นี่พ่อครูก็ไม่มีสิทธิ์นะเราไม่โง่ที่จะไปถือสิทธินะถ้าถือสิทธิ์ปุ๊บเราจะทุกข์เพียงแต่ว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ใช้ประโยชน์มันนะเพื่อสร้างชาตินะทำไมพ่อครูเราเบิดเราเลือกกลับมาที่บ้านเมืองเพราะเราเบิดเราเห็นโอ้ส่วนหนึ่งเนี่ยเรามีอัตราเราเป็นผู้ชายไทยช้างเท้าหน้าลึกๆ เรารู้สึกว่าเราเป็นผู้อาศัยประเทศเขาแล้วยังมีประเทศเธอประเทศชั้นอยู่และที่นู่นมันวัฒนธรรมเราพร่อคูพ่อครูไม่เพราะเราเป็นเราเราเราติดเรื่องนิสัยแต่พ่อคูได้เรียนรู้กับเขาเยอะเลยว่าอ๋อประชาธิปไตยเป็นยังไงแต่พ่อคูบอกเลยว่าเมืองไทยไม่เหมาะกับประชาธิปไตยนะเพราะว่าภาษาบ่งบอกนิสัย เรามีภาษาเด็กคุยกับผู้ใหญ่ภาษาลูกน้องคุยกับเจ้านายเรามีแบ่งชั้นวรรณะอยู่แล้วไม่ใช่มันผิดมันเป็นไปตามระบบธรรมชาติวิถีไทยเรามาจากวิถีพุทธวิถีพุทธมาจากวิถีธรรมธรรมชาติมันเท่ากันไม่ได้ลูกฝาแฝดเกิดออกมา d n a อเหมือนกันเลยคนนี้ยังขี้แยคนนี้ไม่ขี้แยคนนี้ไอคสูงคนนี้ไอคต่ำวิทยาศาสตร์ตอบสิมันทําไมตั้งแต่เกิดมาไม่เท่ากันแล้วคุณจะให้มันเท่ากันได้อย่างไร แล้วชาววณิสัยคนไทยเราไม่ได้พวกกูเนี่ยไปขายขี้หน้าที่อเมริกาเราเป็นนักการเมืองด้วยนะมีครั้งหนึ่งขยายร้านอาหารใหม่กำลังซ่อมแซมครูขับรถไปยางมันรั่วไงก็จอดกําลังตอนนั้นไปใหม่ๆหม่สิงๆนะไม่รู้วัฒนธรรมเขานะ่ะกำลังเปลี่ยนอยู่บังเอิญฝหลังเขาพักเที่ยงรถเขาออกมาไม่ได้เราก็อ้างว่าหนุนแลกยางระเบิดเขาบอกว่ายางรั่วเนี่ยเป็นปัญหาของเธอปัญหาของฉันคือฉันออกไม่ได้บอกเกต้า มันไล่เราหนีเลยพ่อครูแคนฝรังคนนั้นอยู่สามปีบริษัทเขาอยู่ข้างร้านเป็นที่จอดรถของเขาเขาก็เป็นลูกค้าเราหลังจากเราซึมซับสังคมเราแล้วเนี่ยสังคมเขาแล้วเนี่ยพรอครูด่าตัวเองบัดซบมักง่ายแบบไทยๆอ้างแต่เรื่องน้ําใจเราเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ประชาธิปไตยจริงๆไม่ต้องมีรัฐธรรมนูญก็ได้มันเป็นสํานึกของคนแต่ไม่ใช่ปร ะ, ประชาธิปไตยเหมาะกับทุกๆชาติ ไม่เกี่ยวแต่มันดีสำหรับเขาเพราะเขาเตรียมมาตั้งแต่เด็กคุยกับพ่อก็ you a n มี e คุณกับฉันเด็กคุยกับปัญหาที่พอดีก็คุณกับฉันเขาปลูกฝังเรื่องสิทธิตั้งแต่เด็กแล้วพวกเรามามีครั้งหนึ่งมีฝรั่งคนหนึ่งสูง195เซนต์นะเป็นคนหนุ่มมาจากอเมริกาชื่อทาวิสเด็กบ้า น, นอกเรียกชื่อยากมากเพราะครูก็ได้ตั้งชื่อให้เป็นเทวา เป็นเทวดาเพราะเราเหยื้ามากพอเขาเดินมาในศูนย์น้องแทนเนี่ยตอนนั้นอายุสามขวบมั้งหรืออะไรเนี่ยนะเห็นมนุษย์ต่างดาวเดินมาวิ่งไปกอดแ ม, ม่เห็นไหมถามว่าแม่มันเนี่ยนี่ น, นี่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่เคยเห็นฝรั่งไงน้องแทนปลอดภัยแต่ถ้าน้องแทนไปเรียนฟุตฟิตโปรไฟเมื่อไหร่แล้วจะวิ่งไปคุยกับมัน ที่คนไทยเนี่ยไม่ใช่ฝรั่งเขาไม่ดีนะเราถูกฝรั่งหลอกเพราะเราพูดภาษาอังกฤษเป็นแต่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษมันไม่ดีแต่ถ้าใช้ไม่เป็นน่มันเป็นโทษอย่าเหอมากมายนะโรงเรียนพกครูเนี่ยด่านเม่นมีมัธยมถึงมห้าปีหน้าถึงมหนะนะเขาบังคับให้เรียนภาษาอาเซียนภาษาสากลของเราคือภาษาลาว นักกษสโกนเหมือนกันสมมติอย่างนี้นะตอนนี้คนไทยคนลาวอยู่ข้างกันต้องใช้ภาษาอังกฤษคุยกันภาษาอังกฤษไม่ใช่ไม่ดีคนบางคนต้องเรียนเก่งๆแต่ไม่ใช่คนทุกคนเป็นภาษาทาตุเห็นไม่จบภาษาอังกฤษมาเป็นด็อกเตอร์เหมือนกันหมดทำไมคุยกันไม่รู้เรื่องไม่ใช่เราเก่งภาษาแล้วเรา เราจะมีศักษาชีวิตเราแค่เก่งภาษาหนึ่งไม่ใช่เราจะทําให้ชีวิตเราฉลาดขึ้นนะไม่ใช่แต่ไม่ใช่ว่าปฏิเสธคนบางคนต้องเรียนถ้าคุณจะเป็นไกดคุณจะไปทําอาชีพที่คุณต้องใช้เนีย่ยคุณต้องใช้แต่ไม่ใช่บังคับให้คนทั้งประเทศไปเรียนหมดคุณเอาชาวนาที่นี่ไปเรียนภาษาอังกฤษทําไมเพราะกูเคยถามเขาบอกว่ามันจะได้อ่านออกนี่รถโตโยต้ารถยีซูซูจะได้เป็นผู้บริโภคที่ซื่อสัตย์ของเขาไง เมืองไทยเราเนี่ยขี้เห่อมากเกินไปเด็กที่นี่เราสอนให้เขารู้เท่าทันโลกไม่ใช่ตามทุกเรื่องนะก็เด็กสองโรงเรียนเนี่ยพอครูบอกผู้บริหารที่นี่ว่ามีสองอย่างหนึ่งไม่ให้โรงเรียนมาโรงเรียนเองลดมูนิีิเราไปรับส่งถึงหน้าบ้านไปรับไปส่งถ้ามันไปเองเนี่ยมันเลี้ยวเข้าป่ามันไม่ค่อยถึงโรงเรียนไหน แล้วโรงเรียนเราไม่เหมือนที่อื่นนะโรงเรียนเราก็ควบคุม30หมู่บ้าน2ตําบลที่นีน่ที่นี่คือชายแดนประเทศไทยกับลาวมันต้องไปเช็คว่าใครจนใครรวยจนหมดแล้วทาไมพักครูมันเลือกมาอยู่ที่นี่เอาก็เลือกอยู่ที่นี่ไงไอ้ที่อื่นมีคนทําแล้วเราก็เลือกไอท้ที่ไม่มีคนทำเนาะแล้วก็หนึ่งไม่ให้มาโรงเรียนเองสอง ไม่ต้องถือมือถือมาลงเรียนส่วนกลับบ้านจนะเป็นสิตีของเขาเราไม่ก้าวไกลแต่มาลงเรียนใ ค, ใครเผยอมาต้องไปฝากครูไว้ถามว่าทำไมมันไม่เป็นโจกมันไม่มีประโยชน์ต่อการการเรียนการสอนแถมวิธีมีวิชาแถมมาด้วยวิชาแถมเยอะมากสมัยก่อนมันกรี๊งดังทั้งบ้านเลยรู้กันหมดไงอันนี้เขาไปพูดในห้องน้ำไปในป่าหนะีเราก็ไม่รู้ไง คือเราเรียกเราเราอ้างสิทธิสิทธิต้องอยู่ในกรอบที่ปลอดภัยเด็กก็คือเด็กเขายังแยกแยะถูกผิดไม่ได้นะเท่าเทียมกันดีไม่ดีก็ห้ามติในวัยเรียนขนาดนี้ขนาดนี้ห้ามใช้มือถือเขาเท่าเทียมกันไม่ทุกคนไม่ต้องมีเท่ากันเรามีลานคาที่นี่นะแต่เด็กที่นี่เนี่ยจันถึงสุขห้ามมาซื้อเราไม่ได้คาเพื่อกาไร แต่เวลามีปุ๊บเนี่ยเราให้เขามีพร้อมๆกันคือถ้าเราปล่อยให้เขามีนะจะเป็นพาระผู้ปกครองพอมันไม่มีเงินมันไม่ยอมมาโรงเรียนล่ะที่นี่ไม่ได้เก่งเรื่องวิชาการเอาเป็นว่าเรามาแก้ปัญหาความยากจนของเขาอย่าไปเพิ่มพาระให้พ่อแม่นะก็ให้เข้าใจคอนเซปต์ที่นี่เมื่อกี้แนะนำพ่อครูข้าๆวๆพ่อครูมาจากไหนทาไมถึงเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ก็ แล้วก็สถานที่ตรงนี้คืออะไรเรามีศูนย์จิตใจเนี่ยศูนย์จิตใจศาลาปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งป่าโซนนั้นเป็นที่พักของสงศูนย์นั้นเป็นที่พักของเม่ชีโซนข้างบนนี่ของผู้คลองเรือนเราพุทธบริษัทสีอยู่ด้วยกันก็บรวรมีทั้งวัดบ้านโรงเรียนอยู่ที่นี่นะเราไม่เรียกวัดหละนะเรียกว่าศูนย์จิตใจศูนย์สมองศูนย์ปากท้องศูนย์สมองก็เป็นส่วนของโรงเรียนยุคนี้เนี่ยขาดศูนย์ใดศูนย์หนึ่งไม่ได้ อย่างพราคูเห็นภาพอะไรแก้วให้ดูเนี่ยโรงเรียนคุณก้อยอะไรนี่สุดยอดแล้วละ่ะในแก่กายภาพอะไรเนี่ยมันเกินสมบูรณ์นะแต่มันขาดเรื่องจิตวิญญาณบริษัทคุณเล็กเหมือนกันได้ ISO ดีเด่นพรากูไปครั้งแรกแกก็พาเดินไปตรวจนั่นนพรากูสัมผัสอารมณ์พนักงานได้พราะกูวเป็น ISO ซึ่งไรวิญญาณเหมือนตอนนี้เราเข้าไปร้านสะดวกซื้อใช่ไห ทิ้งก่องสวัสดีข้ายินดีต้อนรับครับถูกบังคับให้พูดคนฟังก็นั่นอันนี้ก็พูดไปอย่างนั้นแหละมันเครียดไปหมดเอาแค่ผลประโยชน์ทีนี้ไอ้ฟันเฟืองเห็นไหมกระปุกเกียร์กระปุกพันเฟืองเราจึต้องมีน้ํามันหล่อเลี้ยงเห็นไหมขณะมีน้ํามันหล่อเลี้ยงมันยังสึกหลอดมนุษย์เรามีเลือดมีเนื้อจะมาใช้มนุษย์เป็นแค่ฟันเฟืองเฉยๆเนี่ยนะผู้บริหารก็เครียด คนทํางานก็เครียดนะนี่แหละคือความยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งที่คุณก้อยและคณะผู้บริหารนะคุณแก้วอะไรเนี่ยแล้วที่น่ารักที่สุดคือคุณแม่เมื่อวานนี้ไปยืนต่อหน้าพรอครูเลยคุณแม่ยืนที่นั้นชั่วโมงครึ่งบพรว่าคุณแม่ถ้าเหนื่อยนั่งนะไปเป็นนอนทำก็ได้แก่บอกไม่เป็นไรยืนครบสองชั่วโมงเลยอ๋อเห็นแล้ว ผ ล, ลไม้หล่นไม่ไกลต้นไม่ว่าทางโลกทางธรรมเนี่ยถ้าเราไม่มีความมุ่งมัน่นมานะอดทนน่ะทำอะไรก็ไม่สำเร็จนะก็อันนี้เป็นเคสหนึ่งนะเอาเป็นว่าโอกาสเรามาใช้ชีวิตร่วมกันนะเราดื่มน้ำแทงน้ำฝนนี่เรียกว่าน้ำมนน้ำฝนนี่ฟังเพลงสวดมนทุกวันอยู่กับจิตวิญ ญ, ญาณที่ดีๆแล้วก็ เปิดต่อไปทําอาหารกินถ้าเราเป็นโครคภัยไข้เจ็บอะไรก็ช่างข้อแค็มาสูดอากาศที่ศูนย์กินน้ําที่ศูนย์กินข้าวที่ศูนย์ปฏิบัติทำบ้างเดี๋ยวมันก็หายในน้ํานั้นมีจุลินทรีย์ในจุลินทรีย์นั้นมีวิญญาณมีดรญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาเอาน้ํามาวิจัยเห็นไหมไปแช่แข็งนะ้ามาสวังมานะนะถ้าพูดดีดๆเขามันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นคริสตลัลเลยแล้วก็เป็นเพชรเป็นพลอยถ้าด่ามันเนี่ยออกมาดำปื๊ดเลยคือน้ํามันตาย และตอนนี้เราต้องระวังโดยเฉพาะท่านที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงเราดื่มน้ําขวดที่เขาทาความสะอาดแล้วแต่ไม่มีสารอาหารเลยมันถูกฆ่าตายหมดละเราถึงเป็นโรคภูมิแพ้กันไงแต่ที่นี่พ่อครัวน้ําฝนที่นี่เนี่ยไปกระทรวงวิทยาศาสตร์ท่นี้ไปวิจัยแล้วน้ําฝนที่นี่นี่มีประโยชน์เยอะสะอาดเพราะมันไม่มีโรงงานเพียงแต่ว่าเราผ่านเครื่องกรองเฉยๆเราก็บริโภคได้น้ําทุกวันนี้เนี่ยมันสะอาดเฉยๆ แต่สารอาหารมันไม่มีมันถูกฆ่าทิ้งหมดน้ำมันตายนะอันนี้เราปฏิบัติเราจะเห็นและในตัวเราเนี่ยมีดินน้ำลงไปน้ำนี่เจ็ดเปเลยล่ะถ้าเราเครียดน้ำมันเครียดมันก็ส่งผลทางกายภาพทั้งหมดเพราะในน้ำเนี่ยมันมีวิญญาณอยู่มีจุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตทุกอย่างถ้าไม่มีวิญญาณเนี่ยมันมีชีวิตไม่ได้แนววิทยาศาสตร์ไม่วิจัยไงเอาแต่เรื่องรูปธรรมไม่เอานามมาทําเราดีใจเราเสียใจรู้สึกสุขรู้สึ ก, สกทุกข์มันเป็นนามมาทําทั้งนั้นเราปฏิเสธได้ยังไงมันเป็นความจริงผู้เจ้าสอนรูปนามกายเวทนาจิตธรรมมันถึงแก้ปัญหาชีวิตได้หมดไงตอนนี้วิทยาศาสตร์เราแก้แต่เรื่องกายภาพเรื่องวัตถุนิยมเครียดกันไปหมดเลย นะเพราะเราปฏิเสธความจริงคือนามธรรมาก็ในตัวเราคือจิตนั่นแหละจิตวิญญาณกายก็ต้องดูแลมันสังเกตไหมครับตอนนี้การศึกษาเนี่ยเราเรียนแบบแยกส่วนไปริยาตีแค่นี้โทรแค่นี้เอกแค่นี้สเปเชียลหลายเรื่องเดียวชีวิตเราไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแยกแขนงวิชา พอต้องการแข็งแรงไปออกกําลังกายเป็นนักกีฬาเอาแต่ร่างกายแข็งแรงพอแพ้มาฆ่าตัวตายเพราะจิตไม่แข็งแรงไอ้พอจะฝึกจิตไปไปปฏิบททัติธรรมก็ฝึกจิตทรมานสังขารคือคือคิดแบบแยกส่วนชีวิตเรามันอย่างนั้นไม่ได้รูปนามมันต้องอยู่ด้วยกันที่เราเต้นเราลําทําไมเดี๋ยวอันนี้ชั่วโมงต่อไปตอนบ่ายโมงเพราะครูจะพูดเรื่องวิธีปฏิบัติให้ทุกคนเนี่ย เข้าใจว่าเราทําทําไมมาเต้นทําไมมาเหมือนเด็กทําไมก็ดียังไงเป็นคนแก่กลับไปคืนสู่เด็กนะอิสระไงนะเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องนั้นนะตอนนี้ก็กล่าวต้อนรับให้ทุกท่านแล้วก็ช่วงอยู่ที่นี่เนี่ยอย่าเครียดถือโอกาสเหมือนรถเข้าอู่นั่นแหละมาสูดอากาศบริสุทธิ์ที่นี่ถึง อ, อากาศมันจะร้อนบ้างบางครั้งอะไรบ้างเนี่ยอย่าไปร้อนนักก็มักอ้างว่าเย็นนักบักอ้างว่าร้อนก็มีความสุขเย็นก็มีความสุข บางคนบอกว่าร้อนไม่ชอบเลยบอกว่าเอาไหมเดี๋ยวจะส่งไปขั้วโลกเหนือไหมเราจะรู้ว่าร้อนมันดีแค่ไหนเห็นไหมพวกแคนาดาเขาบินมาเมืองไทยเขาไปอาบแดดเขาบอกร้อนดีจังพวกเราบอกร้อนจังเลยเนี่ยร้อนนักก็มักอ้างว่าเย็นนักก็มักอ้างว่าเราต้องฝึกจนว่าเย็นดีจังร้อนดีจังต้องสู้ความจริงเห็นไหมแต่ตอนนี้เด็กในเมืองนะติดแอร์แล้วก็ติดแอร์ด้วย เพราะครูเคยพูดเล่นๆมาตั้งนานแหละแต่ว่าไม่ไม่มีจังหวะทำล่ะเดี๋ยวเด็กอนุบาลที่นี่เดี๋ยวจะติดแอร์ให้มันนอนแต่ติดแอร์ต้องไม่ติดแอร์แอร์ดับก็ไม่เป็นไรตากแดดก็ไม่เป็นไรแต่เด็กในเมืองติดแอร์แล้วไฟดับปุ๊บนี่งอแงเลยมันติดแอร์แล้วไงมันมันร้อนมันอยู่ไม่ได้เด็กรุ่นต่อไปเนี่ยต้องสะเทินน้ําสะเทินบกเพราะโลกมันเปลี่ยนการแข่งขันยื้อยแย่งมากขึ้น ถ้าวันใดวันหนึ่งมันบ้าละหามกันเกิดสงครามโลกครั้งที่สามเงินกลายเป็นกระดาษแล้วมันจะอยู่ยังไงอย่าประมาทเงินไทยเคย20บาท25บาท1ดอลลาร์ตอนนี้มันขึ้น30กว่ามันเป็นแค่สมมุติปีสี่ศูนย์ปึ้งกลายเป็น50บเลยเคือว่ามันไม่เที่ยงชีวิตเราต้องฝึกยอมรับความเปลี่ยนแปลงเห็นร้อนก็ได้เย็นก็ได้ เนี่ยต้องสะเทินน้ำสะเทินบกติดแอร์แต่ไม่ติดแอร์นะติดอะไรก็คือทุกนะครับก็ให้อยู่กันแบบเหมือนบ้านเรานะมีอะไรดีไม่ดีก็เป็นของเราทุกคนไม่ต้องตาหนิใครทั้งนั้นแหละไม่ใช่ของพ่อครูด้วยนะทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราทำหน้าที่เราพ่อครูไม่บอกว่าเราจะลงไม่บอกว่าเราจะลงศาสนานะจะลงศาสนาก็ได้แต่พ่อครูไม่ได้ประกาศศาสนา เพราะคูประกาศพรมมาจย์ชี้ทางพ้นทุกข์ให้สัตว์โลกทั้งหมดผู้เจ้าไม่ได้สั่งให้เราไปประกาศาศาสนาแข่งกับศาสนาอื่นทะเลาะ ก, กันทั้งโลกเดี๋ยวสงครามาศาสนากําลังจะเกิดขึ้นพระเจ้าบอกประกาศพรมมาจย์ชี้ทางพ้นทุกข์ให้สัตว์โลกทั้งหมดไม่ใช่เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอันนี้เราแยกในพูทธในเมืองไทยเราพูดเราเนี่ยเห็น ไ, ไหมพุทธเถรวาทเราเนี่ยมีทั้งมหานิกายเป็นทั้งธรรมยุทธคุยกันไม่รู้เรื่องอีก ทางน้นก็มหายาณก็มีวชิละญาณที่เบทอีกอะไระมันเป็นแค่อุบายที่ต่างกันอย่าไปเถียงกันว่าฉันดีฉันไม่ดีอะไรที่ทำให้เราไม่ทุกข์น่ะดีที่สุดทำไปเถอะอย่าไปติดที่รูปแบบมากมายนะแล้วก็ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนี่ไม่ใช่ว่าไปนั่งเทียนอยากให้มันเกิดตามอารมณ์ไม่ใช่มีเหตุมีผลมีนัยยะของเขา ถ้าไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยพ่ะครูไม่อยากให้ท่านเสียเวลาแม้แต่หนึ่งนาทีชีวิตเราทําเล่นไม่ได้ยิ่งถ้ามีอันตรายแม้แต่นิดนึงเนี่ยพ่อครูทําไมต้องมาเสี่ยงไม่ได้ค้าขายไม่ได้ทําเพื่อผลประโยชน์นะพราะครูเปลี่ยนชีวิตใครทําให้พระครูทุกข์ไม่ได้เพราะสิ่งนี้นะก็เที่ยวนี้จังหวะนี้ก็เวลาแค่นี้ทุกคนจะได้ไปเตรียมตัวไปทานข้าวกันนะครับ ทำตัวสบายๆผ่อนคลายนะถือว่าเรามาพักผ่อนนะมาแลกเปลี่ยนท่านใดที่มีคำถามอะไรทนี่พี่บอกว่าเขียนไว้แล้วก็เราจะมีช่วงเวลาเนี่ยพวกคูจะตอบคำถามให้เราโอเคนะครับเชิญครับไปทานข้าวกัน